สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากเสียงพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันจันทร์เรากลับมาอยู่ในหนังสือ20กฎทองคํานำสู่ชีวิตที่ดีงามและกลมกลืนสมานชันในสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่ในบทที่6บทที่6ก็คือกฎคอง ร, รมข้อที่6เรียกว่ากฎแห่งการรับใช้ พี่น้องครับต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับหนังสือที่เขียนโดยศาสตอาจารย์ฟิลิปเทงและแปลโดยท่านอาจารย์สุพิษวิจักโยธินนะครับพี่น้องครับในขณะที่เราทั้งหลายรับใช้พระเจ้านั้นเราก็มีกฎของเราอยู่ในใจเราก็มีหลักคิดของเราอยู่ในใจแต่พระวจนะของพระเจ้านั้นได้ทำให้เราต้องกลับมาพิจารณาดู หลักคิดของเรากฎเกณฑ์ของเราที่อยู่ในใจหรือไม่งั้นประสบการณ์ที่มากมายสำหรับหลายเล็กคนที่เคยรับใช้พระเจ้ามาเนิ่นนานเรารู้ว่าเราต่างคนต่างก็มีกฎเกณฑ์เราต่างคนต่างก็มีหลักอยู่ในใจหลักนั้นก็มาจากพระกัมพีบ้างหรืออาจจะไม่ได้มาจากพระจำพีบ้างมาจากประสบการณ์ที่เราได้เรียนรู้ส่วนตัวจากสิ่งต่างๆที่เราเคยทางานมาจากองค์การ องค์กรภายนอกบ้างแต่เมื่อเรากลับมาดูกฎแห่งการรับใช้พระเจ้านั้นเราจะเห็นว่าการรับใช้พระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ใครๆก็ทําได้หรือใครๆที่มีความตั้งใจหรือมีความขยันมีความปรารถนามีความอยากก็จะทําได้ไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้โดยอาศัยกําลังของตัวเองหรืออาศัยประสบการณ์ของตัวเองหรือแม้แต่ความสําเร็จที่อยู่เบื้องหลังที่เรามีอยู่ เราควรจะต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องทางด้านคุณค่าของการรับใช้เพราะการให้คุณค่านี่สำคัญครับการให้คุณค่าหรือการมองของเรามันก็จะส่งผลต่อการรับใช้ที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องของเราคาว่าถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั้นก็คือตามพระคัมภีร์ตามความปรารถนาความต้องการของพระเจ้าหรือไม่เพราะเหตุที่ว่าเรารับใช้พระเจ้าครับ จึงมีความสำคัญที่จะต้องรู้ว่าการรับใช้พระเจ้านั้นมันมีหลักการของพระองค์อยู่นี่คือความสำคัญที่ผมจะนำเสนอพี่น้องครับในซีรีส์สัปดาห์นี้จะมีทั้งหมด12ประการด้วยกันครับซึ่งเป็นกฎแห่งการรับใช้ผมจะพูดไปใน และวันนั้น3ประการ3ประการ3ประการ4วันก็คงจะจบแต่วันในวันสุดท้ายนั้นผมจะสรุปรวบยอดให้กับพี่น้องได้เห็นภาพรวมพี่น้องครับการรับใช้พระเจ้าทุกคนรับใช้พระเจ้าครับทุกคนนั้นมีความปรารถนาดีมีความหวังดีมีความตั้งใจแต่ที่เรามีปัญหากันอยู่นั้นเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้ทําตามกฎของพระเจ้ากฎของพระเจ้าประการแรกครับก็คือชีวิตสําคัญกว่าการกระทํา เรามีภาษาอังกฤษว่า being กับคาว่า doing ครับชีวิตนั้นสำคัญกว่าการกระทำกิจการบทที่ 1. ข้อบอกว่าท่านทั้งหลายจะเป็นพยานฝ่ายเราเ พ, พิ่มผีก็พูดต่อไปจนกระทั่งจบลงที่จนถึงสุดปลายแผ่นดินโลกพี่น้องครับคำว่าเป็นพยานนั้นนั้นหมายถึงชีวิตที่เป็นพยานเน้นเรื่องชีวิตหรือ being มากกว่า doing คำว่า being กับ doing นั้นมีความแตกต่างกันมหาศาลครับคำว่า being คือคำว่าเป็นหรือการว่ามีชีวิตนั่นหมายถึงคุณภาพแท้เป็นชีวิตเป็นคุณสมบัติฝ่ายวิญญาณในการ doing หรือการกระทํานั่นเป็นการเคลื่อนไหวภายนอกการแสดงออกมาบางคนก็ใช้เป็นคำพูดพูดออกมา แต่ว่านักศาสนาจารยร์ฟิลิปเทงนั้นได้ให้ข้อสังเกตว่าเราไม่ใช่แค่ใช้ปากไปประกาศข่าวประเสริฐเท่านั้นที่สําคัญกว่าก็คือการเป็นพยานด้วยชีวิตการใช้ชีวิตพร้อมการดำเนินชีวิตในการประกาศข่าวประเสริฐถ้าเราใช้ชีวิตพร้อมกับการดำเนินชีวิตในการประกาศข่าวประเสริฐ แ, แล้วก็จะเกิดผลแท้เกิดผลยาวยาวนาน ความที่เราเป็นนะครับบ่อยครั้งมันก็กลายเป็นอุปสรรคหรือทําลายสิ่งที่เราทําพี่น้องครับความที่เราเป็นบ่อยครั้งก็ทําลายหรือเป็นอุปสรรคในสิ่งที่เราทํานั่นหมายความว่าไรครับหมายความว่าชีวิตนั้นมันไม่สอดคล้องกับคําพูดชีวิตนั้นมันไม่สอดคล้องกับการกระทํามีผู้รับใช้คนหนึ่ง ได้ยินคนที่พูดด้วยว่าการกระทาของท่านดังกว่าคำสอนของท่านเขาเห็นการกระทาของผู้รับใช้แล้วมีส่วนกระทบจิตใจของเขามากกว่าได้ยินเสียงของเขาครับพี่นนท์ครับคำพูดออกมาหรือการกระทําออกมามันแสดงถึงสิ่งที่เราเป็นการที่เราใช้ชีวิตออกมาการที่เรามีความสัมพันธ์กับคนอื่นกระทบ กับบางสิ่งบางอย่างของการและการนั้นมันก็จะเกิดผลมากพี่น้องครับการใช้ชีวิตเสียสละชีวิตดูแลชีวิตของคนอื่นเป็นพี่เลี้ยงคนอื่นนั้นไม่ใช่แค่คำพูดแต่ว่าเป็นการกระทำออกมานั่นคือประการแรกครับ be-ing สำคัญกว่า do-ing นั่นคือกฎข้อแรกกฎข้อที่2ครับในพระธรรมยอห์นบทที่6ข้อ19ถึง21 เขาทั้งหลายตีกันเชียงไปได้ประมาณ 5-6 กิโลเมตรดังนั้นเขาจึงรับพระองค์ขึ้นเรือด้วยความยินดีแล้วทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาไปนั้นเพียงครับในประการที่2งของกฎแห่งการรับใช้นี้บอกว่าพระเจ้าทำพันธกิจองค์พร ะ, ระบุพเนเจ้าทรงประกอบพันธกิจมันสำคัญกว่าการกระทำพันธกิจของมนุษย์ สรุปง่ายๆคือกฎแห่งการรับใช้นั้นพระเจ้าเป็นคนทำครับไม่ใช่เราทำมีความหมายว่าไงครับถ้าเราอธิบายพระบัพีข้อนี้ย้อนบทที่6ข้อสิเถึงบเบื้องหลังพระบัพีข้อนี้ก็คือทะเลนั้นกำเริบเพราะลมพัดกล้าสาวกตีกันเชียงไปด้วยความยากลำบากเพราะว่ามีมีมรสุมมีลมพายุอยู่พี่น้องครับสภาพต่างๆเหล่านี้ครับ ในที่สุดสาวกนั้นก็รู้ว่าเขาไม่สามารถที่จะตีกันเชียงฝ่าขึ้นลงไปได้หากปราศจากพระเยซูเขาเรียนรู้ว่าอาศัยพละกกาลังของตัวเองนั้นทางานลำบากครับเพราะเนื่องจากว่าเป็นงานของพระเจ้างานของพระเจ้าก็ขับเคลื่อนโดยวิธีของพระเจ้าเท่านั้นการรับใช้พระเจ้าของเราก็เช่นเดียวกันครับจะอาศัยพละงกาลังความสามารถสติปัญญาของตัวเองทางานก็ลาบาก มันจะเดินหน้าช้าแต่ถ้าเรามอบให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าเมื่อมีองค์พระมูนเจ้าอยู่ด้วยในเรือเมื่อถึงเวลาพันกิจก็ลุดหน้าไปอย่างรวดเร็วหากเราต้องการให้พระเจ้าทรงทำพันกิจหรือประกอบกิจด้วยตัวเองด้วยตัวพระองค์เองนั้นเราต้องอธิษฐานทูลขอครับมีวิธีเดียวเท่านั้นคือการอธิษฐานทูลขออธิษฐาน อยากจะสร้างสาวกก็อธิษฐานทูลขอของประธ า, านความสามารถจากพระเจ้าอยากจะดูแลเป็นพี่เลี้ยงดูแลจิตวิญญาณของคนอื่นดูแลจิตวิญญาณของพี่น้องก็เช่นเดียวกั น, กนครับอธิษฐานทูลขอพระเจ้าขอพระเจ้าขอพระเจ้าให้พระเจ้าทํางานทํางานผ่านใครครับผ่านทางการรับใช้ของเรากริจการบทที่6ข้อที่4ได้กล่าวว่าภายพวกเราจะขมักขม้นอธิษฐานและรับใช้พระเจ้า ในพันธกิจแห่งพระวจนะเสมอไปเราเห็นว่าเหล่าสาวกนั้นได้ปรนนาตัวครับปรนนาตัวตั้งใจผูกพันตัวเองกับการอธิษฐานเขาเหล่านั้นเอาการอธิษฐานไว้ข้างหน้านี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ครับเมื่ออธิษฐานก็คือเราได้ร่วมงานกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเราได้ทูลขอพระองค์ที่จะทำพระราชกิจของพระองค์เองและเมื่อพระองค์ทรงเป็นหัวหน้าพันธกิจ หรือพระราชกิจของพระองค์เราเป็นผู้ร่วมงานกับพระองค์พระองค์ก็ใช้เราเป็นเครื่องมือและเมื่อพระองค์ทรงใช้เราเป็นเครื่องมือเมื่อพระองค์เริ่มต้นขับเคลื่อนงานของพระองค์แล้วก็ไม่มีผู้ใดที่จะขัดขวางได้พระเจ้าทรงประกอบพระราชกิจของพระองค์เองได้เสมอแท้จริงแล้วพระองค์ไม่จำเป็นต้องให้เราอธิษฐานและไม่ต้องอาศัยความเชื่อของเราแต่พระองค์ทรงกระทาให้สาเร็จได้ และพระองค์ทรงโปรดที่ให้พวกเราอธิษฐานด้วยความเชื่อเป็นการเป็นเกียรติที่พระเจ้าให้เราเพื่อเป็นเพื่อนร่วมงานกับพระองค์และเมื่อพันธกิจเสร็จแล้วพระเจ้าจะทรงตรัสว่าพาะคำอธิษฐานของคนคนนี้เราตอบสนองคำอธิษฐานของเขาอันชิ้นนั้นก็สำเร็จผลนั่นคือคำที่พระเจ้าอาจจะพูดอาจจะพูดพระองค์ทรงนาผลงาน คืนไว้ในบัญชีของคนที่อธิษฐานครับและนี่คือพระคุณและความรักของพระองค์พี่น้องครับเราจะต้องขมักขม้นอธิษฐานเพื่อพันธกิจของพระเจ้าและขอร้องให้พระองค์เริ่มทํางานของพระองค์เพื่อฟื้นฟูคริดจักรของเราเพื่อฟื้นฟูองค์กรเพื่อฟื้นฟูครอบครัวของเรานั่นแหละครับคือเป้าหมายและเป็นกฎข้อที่2ของการรับใช้พระเจ้า พี่นันครับเราจะเห็นนะครับว่าในประวัติคริสตจักรที่ผ่านมาในช่วงหลายหลายปีที่ผ่านมาพระเจ้าขับเคลื่อนคริสตจักรในประเทศต่างๆครับด้วยแรงอธิษฐานของผู้นําพวกเขาตั้งใจทําเรื่องเดียวที่สําคัญที่สุดก็คืออธิษฐานเราเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงทําให้เกิดการฟื้นฟูในอเมริกาเหนือฟื้นฟูที่แอฟริกา ฟื้นฟูที่ประเทศจีนฟื้นฟูที่ประเทศเวียดนามล้วนแล้วแต่เกิดจากคำอธิษฐานครับขอบคุณพระเจ้าครับที่มีการเตือนสติเราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนตลอดเวลาว่าเราควรจะต้องอธิษฐานเพราะพันธกิจของพระเจ้านั้นขับเคลื่อนด้วยการอธิษฐานครับพี่น้องครับมารซาตานได้ลงมาในโลกด้วยความโกรธยิ่งนักอันนั้น ปรากฏอยู่ในพระธรรมวิวรณ์บทที่1 2บสข้อสิครับหมายความว่ามารซาตานนั้นมีจิตใจกําเริบเสพสารฤทธิเดชของมารสาตานนั้นอยู่เหนือธรรมชาตินะครับมีฤทธิ์มากครับหากเราไม่มีพลังกาลังที่จะต่อสู้มันได้เราจะต้องรู้ว่าเรามีอาวุธที่สําคัญที่สุดคือการอธิษฐานเราจําเป็นต้องพึ่งคําอธิษฐานผลักดันให้มารซาตานนั้นมันถอยออกไป ด้วยวิธานุภาพด้วยฤทธเดชแห่งพระนามของพระเยซูเจ้าชาวนาไรต์มันจะไม่มีสิทธิ์มีส่วนในงานของพระเจ้าเราอธิษฐานขอให้พระเจ้าได้เคลื่อนปหัตของโปรง่งช่วยเหลือพนานกิจของโปรง่งและการทํางานของพระวิญญาณบริสุทธิ์โปร่งสามารถทํางานในทุกโหนทุกแห่งและทุกเวลาจะปกป้องคุ้มครองพันธกกรของพระเจ้าปกป้องคุ้มครองผู้รับใช้ของพระองค์ ให้ปราศจากความผิดความบาปให้หลุดออกจากการโจมตีและปลดปล่อยปลดปล่อยคนของพระเจ้าจากการผูกมัดของมารซาตานพี่น้องครับเราจะเห็นหลักฐานมากมายเมื่อคริสเตียนคุกเข่าลงอธิษฐานพระเจ้าจะทรงฟังประการที่3ครับกฎของการรับใช้พระเจ้าคือการเชื่อฟังการยอมเชื่อฟังพระเจ้าสำคัญกว่าการทำงานรับใช้พระเจ้า พี่น้องครับพระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในกิจการบทที่8ข้อ2 6ถึงนะครับมีทูตองค์หนึ่งขององค์พระวิจ้าได้สั่งฟิลิปว่าจงลุกขึ้นไปยังทิศใ ต, ต้ตามทางที่ลงไปถึงเมืองกาซาพี่น้องครับเราเช็นฟิลิปเมื่ออธิษฐานแล้วเมื่อตั้งใจรับใช้พระเจ้าแล้วเมื่อมีชีวิตที่สอดคล้องกับคำสอนเขาแล้วเขาเชื่อฟังพระเจ้าตลอดเวลาภารกิจของพระเจ้ารุ่งเรือง มีคนกลับใจเพราะเหตุที่พวกพวกเขานั้นเชื่อฟังพระดํารัสของพระเจ้าเชื่อฟังพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์ฟิลิปนั้นไปตามที่พระวิญญาณทรงสั่งให้เข้าไปในที่สุดเขาได้นาข้าราชการซึ่งเป็นขันทีของชาวแอฟิโอเปียมาเชื่อพระเยซูแล้วเราพบว่าด้วยเหตุนี้เองครับด้วยเหตุที่ฟิลิปนั้นได้เชื่อฟังพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์เชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าการเชื่อฟังของเขาทําให้เขาประเสริฐ เผยแพร่ไปถึงแอฟริกาและหลังศตวรรษที่5ครับศาสนาคริสต์ก็เป็นศาสนาประจำชาติของเอธิโอเปียมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้และแพร่หลายไปทั่วแอฟริกาพี่น้องครับสิ่งต่างเหล่านี้เกิดขึ้นเพื่ออะไรครับเพื่อให้เรารู้ว่าการเชื่อฟังการอธิษฐานและมีชีวิตที่สอดคล้อง b e อิงสำคัญกว่าดูอิงนั่นคือ3ามกฎแรกในเช้าวันนี้ครับ ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะตรวจสอบชีวิตของเราตรวจสอบความประพฤติการกระทําของเราว่าสอดคล้องหรือไม่เราได้ใช้เวลาอธิษฐานเผื่อพระนกิจของพระเจ้ามากน้อยแค่ไหนครับและเราเองนั้นได้เชื่อฝังพระเจ้าเชื่อฝังพระวิญญาณบริสุทธิ์อ่านพระวจนะของพระเจ้ารู้จักกับพระองค์รู้น้ำพระทยของพระองค์มากน้อยแค่ไหนครับขอพระเจ้าเสริมกําลังพี่น้องทุกท่านอาเมน